ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะท่านฟังใน ทีนี้การพูดคุยธรรมะเนี่ยจะทําให้ไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยมันลึกๆเราก็ อาจจะทําให้การแตกฉานความลึกซึ้งในหมวดธรรมนั้นเกิดขึ้น แกแกก็บอกสร้างบุญสร้างบุญอันนี้ทำบุญทำกุศลบุญ ความหมายกันๆเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเกิดได้ทั้งหมด 10 ทางด้วยกันเนี่ยใน 10 ทางนี้มีอะไร อ่าแต่จริงๆเรื่องของการให้ทานการสละแต่จริงๆพระพุทธเจ้าแต่ 3 อย่างนี้ก็เป็นส่วนของศีล 4 อย่าง การสร้างบุญด้วยการใช้วาจามันก็เป็นหนึ่งของศีลอีกเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราแบ่งเป็นทานศีลภาวนาอย่างที่หลายๆคน 10 อย่างเดี๋ยวที อะไรมันอยู่ตรงไหนนะเราก็จะทําความเข้ากายกับวาจาอยู่ตรงศีลนะถ้าเราแบ่งกายวาจาใจ เอาไว้ตรงศูนย์ของใจนั่น 3 อย่างปุฉาพูดถึงเรื่องใจเนี่ยก็คือการที่ไม่มีความเพ่งแหลงไม่มีความเพ่งแหลงก็คือว่าแบบเรา เอ่อโลภนะมักอยากได้น่ะของผู้อื่นด้วยความคิดว่าอ่ะสิ่งได้เป็นของผู้อื่นสิ่งนั้น นํามีโอกาสเมื่อไหร่โชคทันทีแม้แต่ปากกาแท่งเดียวของผู้คุมมันก็ว่ายังไม่ผิดทางกายก็ยังไม่ได้ขโมยอยู่แล้วแต่ เริ่มมีอันตรายละในเช่นบางทีคนเอ่อไปผิดศีลนะค่าลักในทําสิ่งที่ไม่ชอบแต่ถ้าเผอว่าใน 1 เรมม ว. นะ อันที่ 2 คือความพยาบาทความพยาบาทเนี่ยมันเป็นลักษณะของความรุ่มร้อนนะความที่ เราไม่ให้ความคิดด้วยเอ่อ 3 ก็คือให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยดีตรงที่ว่าไอ้เรื่องของ 3 ของการตําบุญแล 1 และ 2 แล้วอ่ะ ไม่มีอภิชาได้คนจะละจิตพยาบาทได้เนี่ยนี่คือลักษณะการภาวนาอยู่แล้วและบางทีไม 3 เนี่ยที่ว่าพูดถึงสมาธินี่ก็เป็นลักษณะของการภาวนาแน่นอนและเป็นความเห็นที่ถูกต้องเห็นเรื่อง 4 ก็ตามและ นะพระญาบอกว่าการที่เราเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลนะของที่สละออกแล้วมีผลดีแต่ตรงนี้แหละเป็นเป็นลักษณะของสมาธิทินะเพราะฉะนั้นการสละออกด้วยทานกับการ นะ, นะ, 2 นะ, อย่างนี้นะ เวลาที่เราจะจะทําสิ่งใดนะผู้ฟังแค่ว่าเราจะเขาแล้วแค่ตั้งจิตเออฉันๆๆๆ มันเป็นที่ของฉันอุตส่าห์อาจจะติดป้ายแต่ไม่รู้มันอ่านออกหรือเปล่าว่าห้ามผ่านเข้ามานะมดนั่นฉันล่ะ เราสามารถทําได้นะทีนี้ถ้าผมว่าเราบอกอ้าฉันจะสร้างบุญอ้าฉันไม่มีเถอะไม่มีเถอะพอเราไม่มีมีมดมากมีปลวกด้วยมียุงอ้าวถ้างั้นเอ่อเราจะทํายัง ตบยุงบ้างใช้เครื่องมืออะไรที่จะทําให้มันชีวิตมันตกร่วงไปเนี่ยอ่ะเราเราไม่ทําฉันหยุดนะฉันฉันจะไม่ทําละอันนี้รู้สึกโอ้ย ตะโกนไปด่าแล้วก็ไม่ทําล่ะเพราะว่าฉันก็รู้สึกว่ามันมันทํา ในเช่นมากมันที่จะกังวลว่าบ้านฉันจะเป็นอะไรมั้ยมีปลวกมีมดใน นะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกที่นะได้อยู่อย่างต่อเนื่องเราอาจจะไปวัดสร้างบุญด้วยกันให้ทานได้หรือว่าด้วยภาวนาด้วยนะ อาการปริบัติเป็นรูปแบบก็ได้การงานอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าทําอยู่อย่างต่อ 4 พวกนี้เป็นการพัฒนาพัฒนาคือภาวนา เราพัฒนาจิตอย่างนี้บุญเกิด 3 ส่วนที่เรียกว่าเป็นกายวาจาใจน่ะก็ก็ได้เหมือนกันตรงนี้กามในสิ่งที่เราตีดีนี่ แต่แค่คุณเป็นกรรมดีละใจนะความตั้งใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเป็นกรรมละเป็นกรรมดีละเป็นกุศลกรรมละเป็นกุศลกรรมบทละกุศลกรรมบทกรรมดีตรงนี้แต่แค่เราตั้งใจว่าเราจะทําดีอันนี้ได้ละนะใจเราก็ตั้งใจด้วยเหมือนกันนะด้วยกันทั้ง 3 อย่างกาย ความดีงามของเราให้ดีขึ้นดีงามของเราให้ดีขึ้น